เรื่องเล่าผีหลอนตอนทางผีผ่านเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เป็นเรื่องจริงบวกกับความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวแม่เราครอบครัวแม่เรามีเก้าคนมีพ่ออุ้ยแม่อุ้ย และลูกอีกเจ็ดคนแม่เราเป็นลูกคนโตอาศัยอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนติดแม่น้ำน่านค่ะบ้านแม่มีฐานะยากจนมีที่ดินตาบอดเวลาไปไหนก็ลำบากยิ่งไฟฟ้าน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยลำบากมาก ยิ่งที่เป็นดินตาบอดเราจะต้องเดินผ่านที่ดินคนอื่นซึ่งเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ผ่านที่ของเขาช่วงนั้นญาติของแม่เราเริ่มมาทำงานที่สมุทรปราการพอทำได้สักพักญาติก็เริ่มชักชวนกันไปทำงานด้วยน้าสมน้องชายของแม่เราก็ตามยากไปทำงานด้วย นาสมมีความฝันว่าอยากให้พาพ่อกับแม่มาอยู่ข้างนอกอยู่ที่ดินติดถนนใหญ่พอทำงานไปสักพักก็พอมีเงินเลยส่งข่าวไปที่บ้านบอกพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยว่าให้หาซื้อที่จะย้ายออกมาทำบ้านข้างนอกแถวต่างจังหวัดจะหาซื้อที่ยากเขาไม่ค่อยขายกัน เพราะอยากเก็บไว้ให้ลูกหลานนอกจากใครไม่มีเงินจริงๆถึงจะแบ่งขายในขณะที่กำลังหาที่ก็มีที่ดินว่างอยู่แปลงหนึ่งตรงนั้นทำเลดีล็อกใหญ่มากติดถนนทางหลวงด้านในติดแม่น้ำน่านแต่เราจำความได้ที่ดินแปลงนี้ไม่เคยมีใครมาสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัยเห็นแต่มาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดพวกคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นทางผีผ่านลงแม่น้ำและความเชื่อนี้ก็เลยไม่มีใครมาสร้างบ้านอยู่แม้แต่เจ้าของที่เองญาติเราหลายคนที่รู้ก็พูดขัดขานน้องชายแม่อุ๋ยก็ห้าม พี่สาวแม่อุ๋ยก็บอกแต่แม่อุ๋ยเราไม่ฟังเพราะความที่อยากอยู่ข้างนอกจะได้มีลำบากทั้งน้ำไฟและเวลาเดินทางแม่อุ๋ยคิดไปเองว่าคนที่มาพูดคัดค้านเขาอาจจะอิดฉาเลยตกลงซื้อเขาแบ่งขายให้เป็นแปลงติดถนนแต่ที่ดินล็อกที่ซื้อตรงท้ายที่มีเนินดิน และจอมปลูกในที่ดินปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่แม่อุ๋ยตัดสินใจซื้อตรงนี้คือมีครอบครัวนหนึ่งได้ย้ายถิ่นมาปักหลักที่หมู่บ้านเราและซื้อที่ในแนวเดียวกับแม่อุ้ยเราแต่อยู่ข้างในเข้าไปเป็นที่ติดแม่น้ำเขามาซื้อปลูกบ้านอยู่เหมือนแม่อุ๋ยแม่อุ๋ยเราเลยคิดว่ามีเพื่อนแล้ว เห็นเขาทำเราก็น่าจะทำได้ไม่น่ามีอะไรและไม่ฟังเสียงคัดค้านจากญาติครอบครัวที่ย้ายมาใหม่นี้มีลูกสาวสองคนรุนรราวค้าวเดียวกับเราพอซื้อเสร็จก็ถมที่สร้างบ้านเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนสองชั้นตอนสร้างบ้านไม่มีสารพระภูมิ สารเจ้าที่ก็ไม่มีส่วนจอมปลวกและเนินดินก็ปล่อยเอาไว้เหมือนเดิมเพราะมันเป็นท้ายที่ดินหลังบ้านคนที่อยู่บ้านหลังนี้ประจําจะมีพ่ออุ้ยแม่อุ๋ยนาวิ น, านนนนสมส่วนลูกคนอื่นๆก็มีครอบครัวไปสร้างบ้านอยู่คนละที่และคนละจังหวัดพ่อผ่านไปสักพัก ครอบครัวแม่เรากับนานนลก็ย้ายตามน้าสมไปทํางานที่สมุดปราการที่หมู่บ้านของเรามีคนทรงประจำหมู่บ้านแม่อุยเราก็ชอบไปหาแล้วคนทรงก็ทักมาว่าไปสร้างบ้านทับทางเขานะย้ายไปซะถ้าไม่อยากตายยกบ้านเขาจะเอาลูกไปก่อนทีนี้แม่อุยเราเริ่มกลัว บวกกับญาติก็พูดกันเยอะมากเลยมาปรึกษาลูกๆว่าจะย้ายดีไหมหรือยังไงจากที่รับรู้มาเหมือนแม่อุ๋อยากย้ายแต่ไม่มีเงินกันเพราะซื้อที่และทำบ้านไปหมดแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยพอปีพุทธศักราช2540นาสมเริ่มป่วย จนต้องหยุดงานมาพักรักษาตัวที่บ้านสองอาทิตย์พอค่อยอย่างชั่วก็กลับมาทํางานพอทํางานได้เดือนหนึ่งก็เป็นอีกก็ลากลับบ้านอีกไปไปมามาอยู่อย่างนี้สองถึงสมเดือนจนบริษัทเขาเริ่มไม่ค่อยพอใจแม่เราเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกนะสมให้ลาออกแล้วกลับไปรักษาตัวที่บ้าน รอให้หายสนิทก่อนค่อยกลับไปใหม่เพราะยังไงที่บ้านก็มีแม่อุีกับนาวิคอยดูแลเราไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรแต่เขาผอมมากหายใจไม่ออกกินข้าวเสร็จแล้วอ้วกออกหมดปกตินาสมกินเหล้าหนักมากบางครั้งกินจนตื่นไปทำงานไม่ไหวและเขาไม่ค่อยกินข้าว วันทำงานตอนเช้าจะกินแต่กาแฟ ى. ข้าวเที่ยงก็ไม่กินกินตอนเย็นพร้อมบ้านเรายิ่งตอนป่วยก็ไม่กินอะไรเลยกินแต่กาแฟ ى. พอพี่สาวบอกให้กลับบ้านก็กลับลาออกจากงานไปอยู่ที่บ้านพอกลับมารักษาตัวที่บ้านก็รักษาตัวอีกสามเดือนก่อนจะเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี2540 ระหว่างที่ป่วยมีนาวิคอยดูแลแล้วช่วงที่ป่วยหนักแกก็เพอ้อวักลัวจะมีคนมาเอาไปบ้างบางทีก็ถามนาวิว่าทำไมตอนเย็นเย็นช่วงไกลตะวันตกดินใครมาเดินผ่านหน้าบ้านเรามากมายเขาไปตัดอ้อยกลับมากันหรือบางทีก็เพ้อบอกว่าเขาไม่พอใจนะพวกเขาเดินไม่สะดวก เราไปขวางเขานาวีก็มาเล่าให้แม่อุ้ยฟังแม่อุ้ยก็บอกว่าพี่มันป่วยเพ้อไปเองทำนองเห็นภาพหลอนก็คือเหมือนพูดปัดๆไปไม่ให้กลัวกันหลังจากรู้ข่าวว่าน้าสมเสียหยาดหยาดก็พ า, ากันกลับบ้านงานศพจัดขึ้นที่บ้านหลังนั้นน้านน์ กระบวดให้พี่ชายทุกคนเสียใจมากเพราะนาสมเป็นที่รักของทุกคนงานศพผ่านไปอย่างเศร้าโศกแต่ไม่มีใครคิดอะไรคิดว่าเขาคงป่วยตายไปเองหลังจากเผาศพก็แยกย้ายกันไปทำงานตามปกติผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน พอเราก็มารับที่โรงเรียนตอนบ่ายแก่ๆพอเราไปคุยกับครูที่ห้องพักถามว่ามีอะไรหรือพ่อพ่อเราไม่ตอบพอกลับถึงห้องพักแม่พี่สาวเราคนที่สองนานน์อยู่กันพร้อมหน้ากำลังเก็บเสื้อผ้าแม่บอกให้เราไปอาบน้ำและเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านนาวิเสียแล้ว ผูกคอตายในบ้านครอบครัวเราก็พากันกลับไปงานศพโดยรถกระบะลูกพี่ลูกน้องของแม่เรายกเว้นพี่สาวคนโตที่เพิ่งคลอดลูกอยู่สมุทรปราการเมื่อไปถึงเขาก็ตั้งศพกันแล้วซึ่งบ้านที่ต่างจังหวัดเขาจะตั้งสวดศพกันที่บ้านเจอแม่อุย๋ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าไม่เห็นนาวิช่วงใบใๆ ก็ไม่มีใครสนใจต่างคนต่างทำงานกันจนพ่ออุ้ยกลับมาจากป่าพอเปิดประตูบ้านมาก็เห็นนาสมยืนอุ้มนวิโดยที่มีกองที่นอนล้มอยู่ข้างๆด้วยความตกใจที่เห็นนาสมที่ตายไปแล้วคิดว่าตาฝาดเลยตะโกนเสียงหลงเฮ้ยอวิเสียงร้องไห้โวยวายแล้ววิ่งเข้าไปเอาเก้าอี้ชั้นบน ใช้มีดตัดเชือกลงมานาวิร่วงตกลงมาแล้ววิ่งออกมาบ้านฝั่งตรงข้ามถนนให้คนช่วยแต่น้าเขาสิ้นใจไปแล้วหลังจากจัดการซื้อลงและบอกสับเปอให้มาช่วยจัดการตอนนี้คนในหมู่บ้านก็พูดกันแล้วว่ามีอะไรผิดปกติเพราะนาของเราตายในบ้านติดกันยังไม่ถึงเดือนเลย แม่อุย๋ยเริ่มระแวงแม่ของเราก็เชื่อแล้วแต่น่านนกับพ่ออุย๋ยไม่เชื่อนานนบวชหน้าไฟให้พี่สาวพระที่บวชยังแซวว่าแม่ไม่ต้องโกนผมหรอกผมยังไม่ขึ้นเลยงานศพผ่านไปด้วยดีหลังจากที่เผาศพนวิเสร็จนานนก็อยู่บ้านต่ออีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากศึกพระ ว่างๆเขาก็แวะไปหาเพื่อนปีนั้นนานอนอายุยี่สิบห้าปีพอเขากลับมาที่สมุทรปราการก็มาเล่าให้แม่เราฟังว่ามีพ่อเพื่อนเขาทักมาว่ารายต่อไปละนะอยู่ที่บ้านนี่แหละบวชสัก3ามเดือนค่อยกลับถา้าไม่งั้นมึงตายโหงแน่นอนน่านนด่าเขาว่าปากหมามาแช่งเขา แม่เราเมื่อได้ฟังก็รู้สึกอึง้งนาซีดจะเป็นลมเลยบอกน้องว่าเขาทักก็ฟังไว้บ้างพอกลับสมุดปราการแม่เราก็พาน้านนนไปทำบุญน้านนนก็บอกว่าแม่อุ้ยให้เศษผ้าถุงมาให้เก็บติดตัวไว้ตลอดและพูดกับน้านนนว่าบุญแม่จะรักษานะลูก ในคืนวันลอยกระทงนนนกับพี่สาวเราไปเที่ยวงานลอยกระทงกันและมีเพื่อนๆไปกันเป็นกลุ่มพี่สาวก็เอารถไปคนละคันกับนนนพี่สาวเรากลับบ้านมาตอนประมาณเที่ยงคืนและประมาณตีหนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูห้องพักเราพอพ่อออกไปเปิดก็เจอยามที่บริษัทข้างหลังยาม เป็นเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึงยามก็บอกว่ามาหาแม่เราเจ้าในที่เขามาถามหายาตนนพอเราก็ไปเรียกแม่ออกมาบอกมีคนมาหาปอเต็กตึงก็ถามแม่ว่าชัยพี่สาวคุณนนหรือเปล่าคุณนนประสบอุบัติเหตุครับเสียชีวิตคาที่มีผู้หญิงซ้อนท้ายด้วยครับตอนนี้อาการสาหัส อยู่โรงพยาบาลแต่หาบัตรหรือข้อมูลของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สงสัยกระเป๋าตังค์จะตกคูน้ำแถวแถวนั้นเลยไม่รู้ชื่อผู้หญิงแต่ลักษณะผมยาวแม่ก็ตะโกนเรียกชื่อพี่สาวเพราะคิดว่าคนที่ซ้อนท้ายคือพี่สาวพี่สาวก็ขานรับพร้อมกับถามแม่ว่ามีอะไร แม่ก็ถามว่ากลับมาจากเที่ยวไม่ได้กลับมาพร้อมน้าหรอือพี่สาวก็บอกว่ากลับมาไล่ๆกันตอนหนูเข้านอนก็ยังได้ยินเสียงประตูห้องน้าเปิดปิดเลยและได้ยินเสียงน้าเดินอยู่เลยพอเราเดินไปเปิดห้องน้านนนในห้องห้องไฟเปิดสว่างก่อนออกไป นานนเขากางมุงไวเรียบร้อยแต่สายมุงตกเหลือแค่สามสายซึ่งมุงแบบนี้ว่ากันว่าเขากางให้คนตายนอนพอเห็นมุงเท่านั้นแหละคะ่ะแม่เรากรีดเลยร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นพ่อก็โทรไปบอกแม่อุย๋ยว่านานนเสียแล้วสภาพศพตายคาที่ และรถมอเตอร์ไซค์พังยับเยินส่วนผู้หญิงคือแฟนของนนนบาดเจ็บสาหัส ต, ตอนนั้นอยู่ในห้องไอซเรื่องของเรื่องคือนนนลขับรถไปชนรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางพอญาติมาถึงก็ไปติดต่อรับศพและเผาศพที่สมุดปราการเพราะไม่มีเงินเอาศพกลับมาบ้าน น้าชายเราอีกคนไปรับแม่อุ๋ยกับพ่ออุ๋ยมาปกติแล้วน้านนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนชอบเล่นชอบแกล้งคนอื่นแม่บ้านที่สนิทกับน้านนมาเล่าให้ฟังว่าคืนที่สองที่เขาตายน้ามเาเคาะประตูห้องแกล้งป้าแม่บ้านถึงสามครั้งเลยแล้วก็ร้องเรียกจนป้าเขาไม่เป็นอันหลับอันนอน จนป้าเขาพูดลอยๆว่าไม่ต้องมาเรียกพรุ่งนี้จะทำงานเพื่อนสนิทอีคนยืมหมวกน้าเราไปใส่น้าเราก็ไปตามเอาคืนเรียกนาห้องเหมือนกันในวันที่เผานั้นเพื่อนๆต้องเอาของทุกอย่างที่ยืมไปมาคืนทั้งหมดพอเผาเสร็จก็มีสัปะเริอ ม, มาทำพิธีเชิญวิญญาณของน้าเรากลับไปอยู่บ้าน โดยเอารูปกระดูกนานนใส่ในท้ายกระบะและเอาผ้าขาวคลุมไว้ระหว่างทางก็โปรยเหรียญซื้อทางมาตลอดนาสะพ้ยเป็นคนที่ปวดฉี่บ่อยระหว่างทางก็แวะปั๊มตลอดแวะไปเรื่อยจนอีกส0 0รอยกว่ากิโลจะถึงบ้านนาสะพ้ยเราหลับพอเขาตื่นขึ้นมาก็ไม่แวะอีกเลย น่าชายเราเลยถามก็บอกว่าไม่ปวดฉี่ไม่หิวไม่อะไรทั้งนั้นจนถึงบ้านต่างคนต่างพักผ่อนพอเช้ามานาสะัยก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาหลับอยู่ในรถได้ฝันเห็นหน้านน์นั่งอยู่หลังกระบะมองเขาแบบโกรธแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกลัวอะไร และหันมาตวาดใส่นาสะพายเราว่าจะแวะอะไรนักหนาะแวะจอดรถเขาก็จะมาเอากูไปกูอยากกลับบ้านแม่อุยก็ไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าลูกแม่อุยทั้งสมคนที่เสียชีวิตมาอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่ที่เป็นห่วงคือคนต่อไปจะเป็นใครนั่นเองเท่านั้นแหละ พวกที่เหลือก็สะดุ้งกันเป็นแถวคนแถวบ้านก็พูดกันปากต่อปากว่าผีมาเอาลูกแม่อุ๋ยไปรังทรงแนะ น, นำว่าทางแกเขาบอกให้ย้ายออกหรือไม่ก็ต้องหาอะไรมาพรางว่าไม่มีบ้านหลังนี้อีกแล้วเป็นที่ดินเปล่าๆทั้งหมดก็ปรึกษากันสุดท้ายก็อยู่ที่เดิม แต่จะสร้างบ้านใหม่นาชายเราอีกคนที่อยู่นานมีพระเครื่องของขลังเยอะและเชื่อเรื่องพวกนี้มากเขาไปเอาควายธนูจากน่านมาพร้อมกับพ่อหมอจากมาทำพิธีพอรื้อบ้านเสร็จก็เอารถแมคโคขุดลงไปในดินฝังควายธนูไว้ข้างใต้ตรงกลางที่ดินเดิมพร้อมทำพิธีและถมที่ให้สูงขึ้น ทำบ้านใหม่เป็นแบบบ้านชั้นเดียวแต่ก็ไม่มีสารพระภูมิเหมือนเดิมพอสร้างเสร็จก็เข้าไปอยู่ตอนดึกๆหมาจะหอนตลอดและจะได้ยินเสียงคนเดินรอบรอบบ้านเสียงเหยียบใบไม้แหง้งจากเสียงที่น้าสาวเราเล่าเสียงเดินมีกันหลายคนตอนแรกก็กลัวโจรแต่พอเอาไฟฉายส่องไปก็ไม่มีอะไร พอนานๆนไปก็จะได้ยินเสียงทุกวันพระบางครั้งแม่อุ๋ยก็เล่าว่าฝันเห็นน้าทั้งสามคนแล้วนาสมก็พูดขึ้นว่าแม่ผมพาน้องหาทางเข้าบ้านไม่เจอได้แต่เดินรอบรอบบ้านมีควายตัวใหญ่คอยไล่ตลอดไม่ให้เข้าใกล้ผมพาน้องมานั่งรอทางเข้าบ้านทุกวันเลยจากนั้นเหตุการณ์ปกติ จนกระทั่งปี2551แม่อุ้ยเราป่วยหนักก็ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพอค่อยยังชัวก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านเราที่สมุทรปราการมีพี่สาวเราสองคนดูแลพอแกค่อยๆยหายน้าชายเราก็รับกลับไปอยู่บ้านเป็นแบบนี้อยู่ 3-4 เดือนไปไปมามาโรงพยาบาลกับบ้าน พ่อแม่และหลานชายคนโตจึงตัดสินใจย้ายกลับไปบ้านตอนที่แม่ย้ายกลับไปอยู่ก็ต้องอยู่ที่บ้านหลังใหม่ของแม่อวีเพราะบ้านเก่ามันเก่าและร้างไปแล้วระหว่างอยู่พอก็ไปจ้างคนมารื้อบ้านเก่าของเราแล้วก็ไปสร้างกระต๊อบไม้ไผ่ไว้หลังหนึ่งแล้วก็ให้คนมาสร้างบ้านใหม่ค่อยๆสร้างไป พอกลับมาอยู่บ้านแม่อุ๋ยก็ยิ่งสุดหนักกลางคืนก็เพ้อออกมาว่าจะลากลงเล่นอะไรนักหนาสนุกกันจริงกูจะนอนรำคาญคือที่แม่เราเข้าใจนะคะอาจจะหมายถึงคนสองสามคนนั่งในโลงศพแล้วให้เพื่อนลากโศกเล่นเหมือนเด็กๆ เ, เล่นกันแต่แม่เราไม่เห็นนะคะ ตอนเย็นตะวันใกล้จะตกดินก็บ่นว่ามีคนเดินผ่านบ้านกูจังเลยทุกวันบางครั้งก็ตะโกนด่าตะโกนไล่ไปไปไปไอพวกตายโหงอย่ามาบ้านกูอย่ามาเดินบ้านกูใครขโมยเงินกูอย่าเอาลูกกูไปเลยและมีร้องไห้ด้วยควายตัวใหญ่ก็ไม่อยู่แล้ว เจ้าของเขาเรียกกลับแล้วเราจะทำยังไงอันนี้แม่เราสะดุง้งแม่เราก็เลยถามว่าควายไหนแม่อุ้ยก็บอกว่าควายตัวใหญ่ตาสีแดงมันไม่อยู่ที่นี่แล้วนะพอมันไม่อยู่พวกคนก็เริ่มเดินผ่านบ้านเราแม่กลัวบางทีแม่ไม่กล้ากระดุกกระดิกนอนนิ่ง กลัวคนที่เดินผ่านมาเห็นเขาจะมาทำร้ายแม่มันแกล้งแม่ทุกวันเตะแก้วน้ำหกไม่ให้แม่กินน้ำดึงแม่ลงไปจากที่นอนแม่เราก็คิดภาพตามนะคะลูกน้าสาวต้องมาเก็บกวาดตรงที่แม่อุ้ยนอนทุกเชา้ามันก็บ่นๆนะคะว่าแม่อุ้ยชอบทำน้ำหกตลอดเวลาคือที่บ่นเพราะน้องสาวเรา กลัวพ่ออุ้ยเดินลื่นลม้มพ่ออุ๋ยเดินมาดูแม่อุ๋ยบ่อยๆแม่เราก็คิดหรือจะจริงที่แม่อุ๋ยว่ามีคนมาเตะแก้วน้ําหกแม่บอกว่าบางคืนแม่อุ้ยจะร้องเหมือนเจ็บปวดกลางดึกและคลานลงมาจากที่นอนเหมือนหนีอะไรจนลูกๆตื่นมาดูก็พากันตกใจแกบอกย้ายที่นอนให้แกหน่อย ให้เอาอะไรมาบังให้มิจชิดจะได้ไม่มีใครเห็นเหมือนแม่อุ๋ยคุยกับใครก็ไม่รู้บางทีก็เรียกชื่อนานาที่ตายไปแล้วแม่เราบอกว่าคนใกล้ตายจะชอบเห็นวิญญาณเพราะจิตอ่อนพออุ้ยเราก็นอนอยู่ใกล้ๆแม่อุ้ยพออุ้ยเรายิ่งหนักกว่าไม่เป็นอันนอนทุกคืนแม่อุ๋ยเพอ้อพูดคนเดียวตลอด พอพ่ออุ้ยเผลอหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกกลางดึกคืนหนึ่งพอเราลุกมาเข้าห้องน้ําพอออกจากห้องมาก็ได้ยินเสียงพึมพำแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอเราหยิบขวดน้ําต้มของแม่อุ้ยเอาไปให้เพื่อจะหิวน้ําและจะได้ไปดูด้วยพอพ่อเราเดินผ่านไปสองห้องจะถึงห้องโถง ก็ยิงได้ยินเสียงพูดชัดเจนเป็นเสียงแม่อุยแน่ๆเลยห้องไปถึงห้องโถงพอเรากตกใจน่าซีดยืนนิ่งเงียบดูเหตุการณ์ปลายที่นอนมีพ่ออุยเรานอนอยู่พอเราเล่าว่าเห็นแม่อุยลุกขึ้นแล้วนั่งท่าพับเพียบท่าทางนอบน้อมแม่อุยเราเหมือนนั่งคุยกับใครอยู่ นั่งเงยหน้าเหมือนมองขึ้นที่สูงพอเราได้ยินแค่สองประโยคที่ชัดๆเลยคือแม่อุ๋ยพูดว่าอีกนานไหมเจ้าคะกับอีกประโยคคือขอร้องจนกว่าฉันจะไปได้ไหมเจ้าคะฉันจะสั่งลูกไว้เองแล้วก็พยักหน้าเหมือนตอบรับอะไรก็ไม่รู้พ่อเรายิ่งตกใจเลยเรียกแม่อุย๋ย แม่แม่แม่อุ้ยก็หันมาสีหน้าเรียบเฉยถามพ่อเราว่าเอ็งลุกมาทําไมแล้วก็ยิ้มและทําท่านอนต่อผ่านไปสองสามวันแม่อุ้ยอาการดีขึ้นหน้าตาแจ่มใสแล้วก็บอกแม่อุ๋ยอยากกินโน่นอยากกินนี่ตอนกลางวันก็บอกให้แม่เราพามานั่งเล่นหน้าบ้านรับลม แม่อุ้ยบอกว่าอยากรับลมดูดอกไม้นั่งๆไปก็มีคนในหมู่บ้านผ่านไปผ่านมาก็แวะมาคุยถามสารทุกสุขดิบบางคนก็เอาของกินขนมมาฝากแม่อุ้ยก็ยิ่งดูสดใสขึ้นผ่านไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นวันเสาร์อาทิตย์แม่เราก็ไปดูไร่ดูสวนกลับมาตอนเย็นน้องสาวเราบอกแม่ว่า แม่อุ๋ยบอกว่ามีเงินส่วนตัวซ่อนอยู่จำนวนหนึ่งและบอกที่ซ่อนให้น้องสาวเราไปเอามาที่ซ่อนก็คือตู้เก็บหมอนน้องสาวเราก็ไปหาตามที่แม่อุ๋ยบอกก็เจอเงินอยู่จำนวนหนึ่งเลยหยิบเอามาให้แม่อุย๋ยประมาณแ0 0ร้อกว่าบาทพอส่งให้แม่อุย๋ยแม่อุ๋ยก็พูดกับน้องสาวเราว่าเอา้า อุ้ยให้นะเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่อุ้ยมีแค่นี้อุ้ยฝากซื้อขนมแบ่งให้น้องๆด้วยน้องสาวเราก็รับมาแบบงงๆผ่านไปไม่ถึงสามวันเช้าวันหนึ่งแม่อุ้ยนั่งอยู่กับแม่เราแล้วก็พูดขึ้นว่าอากาศดีจังเนอะลูกรู้ไหมลุงรักซึ่งเป็นลูกชายพี่สาวแม่อุ้ย เขาทำประกันชีวิตไว้ให้แม่นะถ้าแม่ตายไปบอกเขาด้วยนะต้องทำบุญต่างหากให้แม่ด้วยแล้วแม่อุ๋ยก็บอกอีกว่าแม่มีอะไรจะฝากนะเป็นพี่คนโตจัดการให้แม่ด้วยแม่ไม่มีสมบัติอะไรมีแต่ของในบ้านนี้กับที่ดินข้างในแล้วของใช้ในบ้านทั้งหมดยกให้ไอ้กิมส่วนอีแต๋ว กับไอ้จักมันได้เงินประกันของแม่แล้วเป็นพี่ใหญ่นะ่ะไม่ต้องเอาหรอกให้น้องมันเสร็จแล้วก็เรียกนะกับแม่ไปนั่งและพูดว่าสิ่งสำคัญที่สุดทุกคนต้องรับรู้และทำตามที่แม่สั่งแม่อุ๋ยพูดว่าเรามาอยู่ผิดที่ผิดทางเป็นเพราะความอยากอยู่ข้างนอกของแม่เองแม่เราก็ตอบกลับไปว่าแม่ เรื่องนี้มันนานและผ่านมาแล้วจะไปรื้อฟื้นมันทำไมอีกไม่ใช่ความผิดของใครหรอกแม่อุ้ยก็ตอบว่าเราหนีเขาไม่พ้นหรอกต่อไปพยายามก็แค่ซื้อเวลาให้นานขึ้นเท่านั้นที่เราพยายามทำไปตอนนี้มันเสื่อมคลายไปหมดแล้วมนตราที่ทำพิธีไว้ควายธนูที่เอามาฝังไว้ เจ้าของเขาก็เอาไปแล้วแม่เราก็ถามว่ารู้ได้ยังไงแม่อุ้ยก็ตอบว่าก็พวกมันกลับมาเดินทางเดิมเดินผ่านกลางบ้านคืนนั้นแม่เจอกับหัวหน้าเลยคนที่เป็นคนนำทางเดินนาหน้าตัวใหญ่สีดำนุ่งผ้าแดงเขามองมาแม่กลัวเลยยกมือไหว้เขาและบอกว่า ถ้าทำอะไรให้ไม่พอใจก็ขอโทษได้ไหมเขาบอกว่าอีกไม่นานแม่ก็ต้องไปกับเขาด้วยเขาบอกว่าตอนแรกเขาเห็นพวกบ้านเราเลยสั่งสอนที่มาขวางทางเอาลูกแม่ไปทีละคนเวลาต่อมากำลังจะเอาคนที่สี่แต่บอกว่าไม่เห็นพวกเราแล้วเขาก็คิดว่าย้ายออกไปกันแล้ว ก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าสั่งสอนแล้วคงหลับจำแต่ตอนนี้เขาเห็นพวกเราแล้วเขาบอกว่าหายไปนานสมาชิกเพิ่มขึ้นนี่ลหลานเต็มบ้านเขาหาว่าเราจะลองดีครั้งนี้จะเอาไปทั้งหมดแม่เลยขอให้เอาแต่แม่ไปได้ไหมเด็กๆมันไม่รู้เรื่องอะไรลูกสาว ก็มาอยู่แค่ดูแลช่วงนี้เขามีบ้านของเขาเองมาอยู่เพราะความกตันอยู่เขาก็บอกว่าจะเอาแค่แม่ไปคนเดียวแต่ลูกสัญญากับแม่นะหลังแม่ตายไปต้องพาน้องกับพ่อไปจากที่นี่ห้ามอยู่ที่นี่ต่อหรือบ้านออกคืนที่ดินผืนนี้ให้เจ้าของเขาไปทำให้ไวนะ อย่าให้เกินหนึ่งอาทิตย์นะลูกไปอยู่ที่นั่นมีผีปู่ย่าตายายผีบรรพบรุษเขาจะปกป้องไม่ให้พวกอื่นมาทำร้ายพวกเราแม่เราก็ตอบกลับไปว่าแม่เราย้ายไปตอนนี้เลยดีไหมพรุ่งนี้เลยเอาแต่ของที่จำเป็นไปตอนนี้บ้านหนูทํหลังคาเสร็จแล้วไปอยู่ก่อนแม่กับพ่อนอนที่กระท่อมไม้ไผ่ก็ได้ หนูจะอยู่ที่บ้านที่สร้างใหม่เองของทิ้งไว้ที่นี่แหละปล่อยให้มันร้างไปสร้างบ้านหนูเสร็จคอยขยับขยายกันแม่อุ้ยกับตอบกลับมาว่าไม่ทันแล้วลูกเขาโกรธมากเขาหาว่าเราไปท้าทายเขาแม่เต็มใจแม่แก่แล้วร่างกายแม่ก็ไม่ค่อยดีให้มันจบๆไปพวกเองก็อยู่ต่อไป ดูแลน้องดูแลพ่อด้วยนะอีกไม่นานพ่อก็จะตามแม่ไปหลังจากนั้นแม่อุ้ยก็เสียชีวิตลงลูกหลานทั้งหมดก็พากันกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนหมาก็หอนหอนไล่มาจากถนนใหญ่สักพักเสียงก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงเขย่าประตูเหล็กหน้ารัว้ว เสียงดังประมาณสอ ง, งสทีแล้วหมาก็หอนไปที่ถนนใหญ่เสียงหมาหอนก็ไกลออกไปเรื่ อ, อยๆแล้วเสียงก็เงียบไปพอวันต่อมาแม่เราก็เริ่มเล่าคืนที่อุ้ยตายคืนนั้นทุกคนนอนกันตั้งแต่หกโงเย็นกลางดึกพอเราสะ ก, กิดแม่เราแล้วถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหม เสียงคนร้องไห้ฮือฮือฮือพ่อฟังสักพักก็รู้ว่าเป็นเสียงของพ่อนี่ซึ่งก็เป็นพ่ออุ้ยนั่นเองพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าแม่เราก็บอกว่าลุกไปดูสิพ่อเราก็ลุกเปิดไฟเดินไปที่ห้องโถงพ่อถึงจุดที่แม่อุ้ยนอนมุ้งก็ยังกลางอยู่พ่อเราเห็นพ่ออุ้ยนั่งอยู่ข้างๆแม่อุ้ย แม่อุ้ยนอนอยู่พ่ออุ๋ยนั่งจับมือแม่อุ๋ยร้องไห้พอเราก็เรียกพ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่ออุ๋ยตอบกลับมาว่าแม่เองสิ้นใจไปแล้วพ่ออุ๋ยเล่า ว, ว่าตั้งแต่หัวค่าก็นอนกันปกติสักพักแม่อุ้ยเราก็สะกิดให้พ่ออุ๋ยตื่นตื่นมาก็เห็นแม่อุ๋ยนอนพนมมือแล้ว แม่อุ๋ยเราเห็นพ่ออุ๋ยตื่นก็ยิ้มให้แล้วพูดว่าฉันไปแล้วนะพี่พ่ออุ๋ยก็ตอบว่าทำไมรีบไปเร็วจังแม่อุ๋ยก็ตอบกลับมาว่ามันถึงเวลาแล้วฉันจะไปรอพี่ที่ที่ดินเรานะพอเล่าจบเราก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังพอเราก็เล่า ว, ว่าเมื่อคืน ลุงเพื่อนพ่อเขาไปเข้าห้องน้ำคนเดียวออกมาจากห้องน้ำเห็นแม่อุยยืนอยู่ยืนหันหลังอยู่ในครัวแกก็คิดว่าเมาคงตาฝาดขยี้ตาแล้วก็ยังเห็นอยู่เลยตะโกนสุดเสียงเรียกพ่อเราเรียกเพื่อนๆนแล้วแม่อุยก็หายไปหลังจากเสร็จงานศพแม่อุยพ่ออุยของเราก็เมา พวกเรากเตรียมตัวกันย้ายเข้าไปอยู่ข้างในแต่พ่ออุ้ยไม่ยอมย้ายถามว่าทำไมต้องไปฟังที่แม่อุ้ยสั่งด้วยแกก็ด่าลูกหลานบอกว่าถ้าใครมาเอาของในบ้านนี้ไปก็จะแจ้งความด่าไปทั่วหาว่าลูกหลานจะเอาที่ไปขายบ้างอะไรบ้างแต่พ่ออุ้ยไม่ยอมย้ายแม่อุ้ยก็มาเข้าฝันทุกคน มายืนจ้องหน้าตาเขียวคล้ำพออาทิตย์ที่สามนาก็เล่าให้ฟังว่าแม่อุยมากระโดดทับที่หน้าอกทำให้ไม่สบายไปทำงานไม่ได้ตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงเลื่อนกระจกตู้ตลอดทั้งคืนแม่เราก็บอกน้องสาวว่าพี่จะออกไปอยู่ข้างในแล้วนะแกต้องไปด้วยแกเริ่มไม่สบายแล้ว ไปอยู่ข้างในอากาศดีกว่านะ้าเราก็บอกว่าหนูก็กำลังจะบอกพี่แบบนี้พอดีแม่เราก็บอกว่าส่วนพ่อปล่อยแกไว้ที่นี่แหละเช้ากับเย็นก็เอาข้าวมาส่งชาวบ้านเขาจะหาว่าทิ้งพ่อก็คงไม่ใช่เราส่งข้าวส่งน้ำตลอดคืนก่อนที่จะย้ายเข้าข้างในทุกอย่างดูสงบแต่พอรุ่งเชา้า พ่ออุ๋ยก็เรียกแม่ให้เข้าไปนั่งใกล้ๆพ่ออุ๋ยบอกว่าลูกเอ๋ยพาพ่อไปอยู่ข้างในหน่อยแม่เรารู้สึกงงๆแล้วพ่ออุ๋ยก็จับมือแม่เรากอดแม่เราร้องไห้โฮพ่ออุ๋ยพูดอีกว่าพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะที่พ่อว่ามึงไปวันนี้เลยลูกพ่อกาลังจะย้าย น้าสาวก็มีอาการเป็นไข้ลุกขึ้นจากที่นอนไม่ได้ที่นอนเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อทุกคนรีบขนของก่อนออกรถแม่เราเปิดกระจกตะโกนว่าไปแล้วนะลาขาดจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลยพอเราก็ขับรถออกมาพอย้ายบ้านเสร็จแม่เราก็ถามพ่ออุ้ยว่า พ่อเป็นอะไรถึงเปลี่ยนใจย้ายออกมาพ่ออุ้ยก็บอกว่าแม่มึงจะเอาพ่อไปอยู่ด้วยคือคืนนั้นพ่ออุ้ยเราเข้านอนตอนดึกก็ลุกมาเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเคาะกระทะในลักษณะเหมือนทากับข้าวเลยคิดว่าน้องสาวหรือหลานเรามาต้มมามา่าขณะที่อยู่ในห้องน้ำ พ่ออุ้ยเลยตะโกนชื่อน้องสาวเราสองครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่ได้ยินเสียงคนกำลังเหมือนผัดอะไรอยู่พ่ออุ้ยก็ออกมาเปิดประตูพ่ออุ้ยยิ่งตัวแข็งเมื่อเห็นแม่อุ้ยยืนหันหลังอยู่ตรงเตาแก๊สมือหนึ่งถือตะหลิวมือหนึ่งถือจานแล้ววางตะหลิวเทกับข้าวลงในกระทะหันหน้ามาหาพ่ออุ้ย ผีแม่อุ๋ยบอกว่าเอาแดกซะกูบอกให้ออกไปออกไปไม่ยอมไปกันมึงจะไปอยู่กับกูไหมพ่ออุ๋ยก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ข้างในบทสรุปของเรื่องนี้คือที่ดินนี้เป็นเส้นทางผีผ่านจริงๆที่เขาเดินผ่านไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งหรืออีกภพภูมิหนึ่ง ลักษณะแม่น้ำตรงท้ายที่ลงตะลิ่งไปมันมีลักษณะเหมือนเวิงน้ำไม่ใช่แค่ตรงที่ดินผื้นที่แม่อุ้ยเราอยู่จุดนี้จุดเดียวนาชายเราบอกว่าคนแก่ที่บ้านเล่า ว, ว่ามันมีอีกสองจุดอยู่ในแนวเดียวกันติดแม่น้ำเป็นจุดน้ำไหลและตรงนี้มันจะแรงกว่าตรงที่แม่อุ้ยอยู่ด้วยนาชายเราบอกว่า ข้างใต้ที่ดินมันเป็นพโพรงเหมือนกับช่องน้ํากัดแทะริมตะลิ่งเข้ามาเรื่อยๆและตรงข้างที่ดินนี้จะมีสะพานข้ามคลองมีคนมาชนคอสะพานตรงนี้ตายหงเป็นสิบๆศพแล้วแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาสร้างบ้านอยู่ค่ะทําสวนปลูกขนุนอะไรกันไปเท่านั้นเอง สำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืมกด s ับสไครป์ช่องเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับ เรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ